ยึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติวิธีสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่ตนเองเพราะความสุขและความเจริญหรือความทุกข์และความเสื่อมนั้นไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเราเอง อยู่ที่ใจของเราใจของเราเป็นผู้ผลิตทั้งความสุขและความทุกข์เป็นผู้ผลิตทั้งความเจริญและความเสื่อมสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่สามารถผลิตความสุขหรือความทุกข์ความเจริญหรือความเสื่อมให้แก่ ชีวิตจิตใจของพวกเราได้ถ้าสิ่ ง, งต่างๆในโลกนี้สามารถทำให้เรามีความสุขได้แล้วทำไมเวลาเรามีแล้วเรายังต้องมีความทุกข์อยู่ทำไมเราถึงไม่มีความสุขไปตลอดนั่นเพราะว่าสิ่ ง, งต่างๆเขาไม่ได้ ทำให้เราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่นเองมีแต่ตัวเราไปทำตัวเราให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เวลาเราได้อะไรที่เราชอบมาเราก็มีความสุขเวลาที่เราเสียอะไรที่เราชอบไปเราก็จะมีความทุกข์แต่ถ้าสิ่งที่เราได้มานั้น เราไม่ชอบเราไม่ยินดีเราก็จะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนั้นเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวที่ให้ความสุขหรือความทุกข์กับเราแต่ผู้ที่ปเลิตความสุขหรือความทุกข์คือตัวเราเองคือใจเราเองที่ไปให้ความสำคัญกับเขาเองถ้าเราให้ความสาคัญ เราชอบเขาพอเราได้ของมาเราก็มีความสุขแต่ต่อไปถ้าเกิดเราเปลี่ยนใจเราไม่ชอบเขาแล้วเขาก็จะให้ความทุกข์กับเราแต่เขานั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไ ป, ไปเขาก็ยังเป็นเขาอยู่อย่างนั้นแต่ใจเราต่างหากที่เปลี่ยนไปใจเราให้ความหมายต่อสิ่งต่างๆแล้วก็ไป ดีใจเสียใจไปรักไปชังไปมีความสุขมีความทุกข์กับสิ่งต่างๆถ้าใจฉลาดใจรู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นเขาไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วไม่ได้ให้ความสุขให้ความทุกข์กับเราแต่ใจต่างหากที่หลงไปรักไปชังเขาเราก็เกิดความ สุขขึ้นมาในตนเองถ้าใจไม่ไปรักไปชังแล้วสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ก็จะไม่สามารถให้ความสุขหรือให้ความทุกข์กับใจได้เพราะใจนั่นแหละเป็นผู้ผลิตความสุขและความทุกข์ให้กับตนเองด้วยความรักด้วยความชัง ด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายใจจึงต้องวนเวียนไปอยู่กับความสุขและความทุกข์ที่ใจผลิตขึ้นมาเองเพราะใจไม่รู้ว่าใจนี้เป็นผู้ผลิตและเป็นผู้ที่มีอาการที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันก็รักบางวันก็ชัง บางวันก็ชอบบางวันก็ไม่ชอบแต่เราถ้าเรารู้ว่าปัญหาของความสุขและความทุกข์นั้นอยู่ในตัวเราเราก็สามารถที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องของความสุขและความทุกข์ที่ตัวเราเพื่อเพราะเป็นการแก้ตรงประเด็น สิ่งต่างๆภายนอกนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่ภายในใจของเราที่ไปรับไปชังสิ่งต่างๆถ้าเราสามารถสอนใจเราให้อยู่เฉยๆให้เป็นกลางไม่ให้ไปรับไม่ให้ไปชังกับสิ่งต่างๆเราก็จะไม่ต้องไปทุกข์ไปสุขกับสิ่งต่างๆ เพราะความสุขกับสิ่งต่างๆนี้ก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่แน่นอนเพราะสิ่งต่างๆที่เราไปรักไปชอบนั้นที่ให้ความสุขกับเรานั้นเขามีการเปลี่ยนแปลงได้เวลาเขาเปลี่ยนแปลงไปเขาก็เปลี่ยนทำให้เรามีความรู้สึกที่ต่างไปเช่นสิ่งที่เรารักเราชอบ เวลาเราเห็นเขาเราก็จะเกิดความสุขใจแต่พอเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทำให้เราเกิดความเกลียดเกิดความชังขึ้นมาเวลาที่เราเห็นเขาเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราทาใจของเราไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้ชอบไม่ให้เกลียดไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไร เขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเราก็จะไม่เดือดร้อนอะไรเราก็จะไม่สุขแต่เราก็จะไม่ทุกข์ความสุขที่ได้จากเขานี้ไม่คุ้มค่ากับความทุกข์ที่จะตามมาในเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเวลาเขาจากเราไปความสุขที่เราได้จากเขาก็จะกลายเป็นความทุกข์ หรือเวลาที่เขาเปลี่ยนไปจากการทำให้เรารักให้ชอบรักให้ให้เรารักให้เราชอบเขาแล้วเขาเปลี่ยนไปทำให้เราเกลียดให้เราชังเขาเวลาที่เรายังต้องอยู่กับเขาเราก็จะต้องทุก์กับเขาแต่ถ้าเราทำใจให้เป็นกลางไม่ให้ไปรักไม่ให้ไปชัง เวลาที่เขาเปลี่ยนไปเราก็จะไม่รับไม่ชังเราก็เฉยเฉยเฉยอยู่กับเขาเราก็ไม่สุขแต่เราก็ไม่ทุกข์แต่สิ่งที่เราได้ที่เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนั้นก็คือความสบายใจความสบายใจนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จก การไปรับไปชอบและไปได้สิ่งที่เรารักที่เราชอบมาเพราะว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกที่ชั่วคราวเท่านั้นหลังจากที่เราได้เขามาแล้วเราก็จะมีความวิตกกังวลมีความหวงมีความหวงตามมาแล้วความสุขที่เกิดจากการ ได้เขามานั้นก็จะหายไปมีความวิตกกังวลความห่วงใยความหวงแหนเป็นอารมณ์หรือเป็นความรู้สึกที่ตามมาต่อไปดังนั้นถ้าเรารู้จักความจริงนี้แล้วเราก็จะได้หันเข้ามาแก้ปัญหาที่ตัวของเราเอง คือที่ใจของเราคือทำใจหรือสอนใจให้เฉยๆอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เมื่อเราทำใจเป็นกลางได้แล้วใจเราก็จะสบายไม่วิตกไม่กังวล ไม่หวงไม่หวงไม่อะไรอววรไม่เศร้าโศกเสียใจนี่คือความสุขที่แท้จริงของพวกเราอยู่ที่ใจของเราที่เป็นกลางนี้เองไม่ได้อยู่ที่การได้สิ่งที่เรารักเราชอบมาหรือเสียสิ่งที่เราเกลียดเราชังไปเพราะว่า ตราบใดที่เราอยู่ในเรื่องนี้เราจะต้องเจอสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่ในสังคมเราอยู่กับคนเราอยู่กับข้าวของต่างๆซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เขามีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆเขามีการเกิดมีการดับมีการเจริญมีการเสื่อมถ้าเราไปชอบสิ่ง ที่จเจริญเวลาที่เขาเสือ่อมเราก็จะเสียใจเราก็จะทุกข์ใจเวลาฟังเทศหรือเวลาแสดงธรรนี้ถ้ามีเสียงเข้ามาบรบกวนแะล้วมันจะทำให้การแสดงมันขาดขาดหายหายไปเหมือนกับเวลารถวิ่งแล้วตกหลุมตกบกมันจะวิ่งไปไม่สะดวก มันจะเสียหลักได้เวลาพูดอะไรไปแล้วมีเสียงมากระทบมันทำให้กระแสของความคิดนั้นมันมันล้มไปมันหายไปหรือหรือถ้าไม่หายมันก็จะออกนอกลูก่นอกทางไปเวลาฟังเทศน์ฟังธรรมจึงต้องมีความสุกเพราะว่าถ้ามีเสียงรบกวน หรือมีการกระทำอะไรมีการเคลื่อนไหวแล้วก็จะทำให้การแสดงนี้ไม่เป็นไปอย่างไม่ราบเรื่องไม่ราบเรื่องและผู้ฟังก็จะเช่นเดียวกันการฟังก็จะฟังไม่ราบเรื่องไม่ต่อเนื่องจึงจำเป็นที่ต้องมีความสงบทั้งทางกายวาจาและทางใจ ทางกายก็ควรต้องนั่งอยู่เฉยๆวาจาก็ต้องไม่พูดส่งเสียงดังให้รบกวนผู้อื่นหรือไม่หรือแม้กระทั่งพูดเบาๆก็ไม่ควรพูดเพราะจะเวลาฟังจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าใจไม่ได้รับฟังเสียงเพราะใจมวัวไปอยู่กับการพูดการสนทนากันถ้าฟังทำแบบนี้ก็จะไม่ได้รับอานิสงส์ เกิดจะไม่ได้มีความเห็นที่ถูกต้องจะไม่ได้รับความสงบสุขของจิตใจดังนั้นเวลาฟังเทศน์คำธรรมจึงควรตั้งอยู่ในความสงบทั้งสมส่วนคือสงบกายสงบวาจาและสงบใจกายก็นั่งอยู่เฉยๆอย่าไปทาอะไรวาจาก็อย่าไปคุยกัน ใจก็นิ่งตั้งใจฟังอย่าไปคิดเรื่องต่างๆเพราะว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวของกายวาจาใจแล้วฟังเทศไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียเวลาไปเปล่าๆทั้งผู้ฟังและผู้แสดงเมื่อกี้ก็ได้พูดถึงเรื่องใจผู้ที่เป็นโรงงานผลิตความสุขและความทุกข์ต่างๆ ไม่ใช่สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่เป็นผู้ผลติตความสุขความทุกข์ให้แก่ใจเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เขาเป็นสิ่งที่ให้ความสุขและความทุกข์กับเราเราไม่สามารถที่จะเอาความสุขอย่างเดียวจากสิ่งต่างๆได้ถ้าเราต้องการความสุขจากสิ่งต่างๆเราก็จะต้องรับความทุกข์ จากสิ่งต่างๆมาด้วยเพราะเขามีการเจริญและมีการเสื่อม น, นั่นเองเวลาที่มีการเจริญเราก็มีความสุขแต่เวลาที่มีความเสื่อมเราก็จะมีความทุกข์เรื่อร่างกายของเรานี้เวลามีการเจริญเราก็มีความสุขในช่วงที่เราเป็นเด็กเจริญเติบโตขึ้นมาจนถึงเป็นผู้ใหญ่ เราจะมีความสุขกับร่างกายเพราะร่างกายมีความแข็งแรงมีสุขภาพดีไม่มีโครคภัยไข้เจ็บไม่มีความชราแต่พอร่างกายเริ่มยั่งเข้าสู่วัยชราแล้วก็จะมีอาการเจ็บปวดตามร่างกายต่างๆมีโรคภัยต่างๆไม่สามารถกลับเครื่อนร่างกายให้เป็นเหมือนสมัยที่เป็น เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์เข้ามาลุมเอาจิตใจแต่ถ้าไม่มีร่างกายเราก็จะไม่ต้องมีความสุขและไม่มีความทุกข์กับร่างกายเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆเวลาที่เราได้มาใหม่ๆเราก็มีความสุขแต่ใช้ไปใช้ไปแล้ว ของก็จะเก่าลงก็เกิดการชํารุดทุดโทรมขึ้นมาเราก็จะต้องมีความทุกข์ต้องเอาไปซ่อมเอาไปแก้ไขแล้วในที่สุดก็จะต้องทิ้งไปเวลาไม่มีแล้วเราก็จะมีความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราติดติดสาที่จะต้องมีเขานั่นเองความจริงแล้วใจของเรานี้ไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้ ไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องมีอะไรต่างๆสิ่งที่จําเป็นต้องมีก็คือร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมีอะไรเลยถ้ามีร่างกายก็ควรจะมีเท่าที่จําเป็นที่จะดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปได้เพราะถ้ามีมากไปกว่า น, นั้นก็จะเพิ่มความทุกข์ให้แก่ใจไปประปาๆไม่เกิดประโยชน์อะไร ความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆนั้นจะหายไปหมดเลยเวลาที่เกิดความทุกข์ที่ได้จากสิ่งต่างๆมาทดแทนเวลาที่ได้มาใหม่ๆเราจะมีความสุขแต่เวลาที่เราเสียเขาไปนี้เราจะมีความทุกข์แต่ถ้าเราไม่เคยได้ของมาเราเราก็จะไม่ได้ความสุขแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะไม่ได้ความทุกข์ เวลาที่เขาเสียไปเรือเวลาที่เขาจากเราไปดังนั้นเราถึงควรที่จะมาสอนใจมาฝึกใจให้อยู่เฉยๆให้เป็นกลางไม่ให้ไปรักไม่ให้ไปชอบไม่ให้ไปเกลียดไม่ให้ไปชังกับสิ่งต่างๆเพราะเวลาที่เราเจอสิ่งต่างๆแล้วเราจะได้อยู่จะได้สบายอกสบายใจ ถ้าเราชอบใจของเราก็จะเกิดความความวิตกกังวลขึ้นมาว่าจะได้ในสิ่งที่เราได้อยากจะได้หรือไม่ไมแล้วถ้าเราไปเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราฝึกใจสอนใจให้เราอยู่เฉยๆเป็นกลางอย่าไม่ชอบไม่ชังเวลาเราเจอสิ่งต่างๆ เราจะสบายใจเราจะไม่วุ่นวายใจไม่ว่าวุ่นขุ่นมัวปัญหาของเราอยู่ที่ใจเราไปหลงรักไปหลงชังกับสิ่งต่างๆนั่นเองซึ่งเราสามารถที่จะทำใจของเราให้เป็นกลางได้ให้เฉยๆได้ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติในเบื้องต้นก่อน ก่อนที่จะทำใจให้สงบให้นิ่งได้เราต้องมีสติดึงใจเอาไว้ถ้าเราไม่มีสติดึงใจเอาไว้ใจจะลอยไปลอยมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ก็จะไม่สามารถทำให้ใจนิ่งให้สงบได้ดังนั้นเราต้องเจริญสติก่อนซึ่งเราสามารถเจริญได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับในชีวิตของเราทุกวัน ไม่จาเป็นที่จะต้องไปไปวัดไปปฏิบัติที่วัดเพราะว่าใจของเราก็อยู่กับตัวเราสติก็เกิดมาจากใจของเรนี้เองเราจึงสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลาด้วยการควบคุมใจของเราให้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทาอยู่ไม่ว่าเรากำลังทาอะไรอยู่ก็ให้ใจเราอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทาอยู่ กำลังอาบน้าก็ให้อยู่กับการอาบน้ากาลังแปลงฟันกำลังล้างหน้ากำลังแต่งตัวกำลังรับประทานอาหารกำลังเดินทางไปที่ทำงานก็ให้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้นคือให้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็อย่าไปคิดเรื่องต่างๆให้คิดแต่เรื่องที่เรากำลังทำอยู่เรื่องที่ เรายังไปไม่ถึงอย่าเพิ่งไปคิดเช่นเราอยู่ที่นี่เรายังไม่ทันออกจากบ้านเลยแต่เรามักจะไปคิดถึงที่ทำงานแล้วคิดถึงว่าเราจะไปทำอะไรกับใครที่ไหนซึ่งเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องคิดถ้าเราต้องคิดเราก็ควรหยุดการกระทำของเราก่อนแล้วก็ให้มีสติอยู่กับคิดกับคิดถึงเรื่องงานเรื่องการ เรื่องการติดต่ออะไรกับใครที่ไหนคิดให้เรียบร้อยหลังจากที่เราคิดคิดเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่เรากำ ล, ลังทำงานของเราอยู่ให้อยู่กับงานไปอย่าไปคิดถ้าจะคิดก็ให้หยุดทางานแล้วคิดก่อนอย่าไปทำทั้งสองอย่างพร้อมๆกันเพราะเป็นการไม่มีสติเป็นการปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาเมื่อเราไม่ สามารถควบคุมใจให้อยู่กับที่ได้เวลาที่เราจะทำใจให้สงบก็จะไม่สามารถทำได้เพราะการทำใจให้สงบนี้เราต้องให้ใจจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง mm. เช่นอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าเราไม่สามารถบริกรรมพุทโธอย่างเดียวได้ใจจะไม่สงบได้ถ้าเราบริกรรมพุทโธแล้วไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ สลับกันไปกลับไปกลับมาใจก็จะไม่สงบเพราะใจจะแกว่งไปกว่งมาใจต้องนิ่งต้องอยู่กับเรื่องเดียวต้องอยู่กับการบริกรรมพุทธโธอย่างเดียวหรือถ้าเราใช้การดูลมหายใจเข้าออกเราก็ต้องรู้อยู่กับการหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวให้รู้ว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกไม่ไปคิดเรื่องอื่นไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องไม่นานจิตก็จะรวมลวงเข้าสู่ความสงบ พ, พอสงบแล้วจิตก็จะนิ่งเป็นกลางเป็นอุเบกขาขึ้นมาตอนนั้นจะไม่มีอารมณ์รักไม่มีอารมณ์ชัง่งไม่มีความยินดียินร้ายมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจที่เกิดจากความสงบ ที่เราสามารถที่จะนำเอาไปใช้ต่อไปได้ในชีวิตประจำวันของเราคือพอเราออกจากสมาธิแล้วเราก็ควรประครับประคองความรู้สึกที่เป็นกลางนี้เอาไว้แล้วก็ให้ใช้ปัญญาคอยสอนใจว่าอย่าไปรักอย่าไปชังกับสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้เพราะเราถ้าเราไปรักไปชอบใจของเราจะเกิดความอยากขึ้นมา แล้วก็จะเกิดความความวิตกกังวลความว้าวุ่นขุ่นหัวขึ้นมาทำให้ใจไม่นิ่งไม่สงบไม่สบายใจขึ้นมาถ้าเราดูแลก็เฉยๆไว้ไม่ไปรักไม่ไปชอบเพราะรู้ว่าการรักการชอบสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้จะมาทำลายความเป็นกลางของใจ จะมาทำลายความสบายใจของเรานั่นเองนี่คือปัญญาที่เราต้องคอยสอนใจหลังจากที่เราได้สมาธิได้ทำใจให้เป็นกลางแล้วพอออกมาใจจะอยู่เป็นกลางได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเวลาไปสัมผัสรับรู้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ยังทำใจให้เป็นกลางอยู่ได้หรือเปล่า ถ้ามีอคติมีความรักมีความชังมีความกลัวมีความหลงใจก็จะหลุดออกจากความเป็นกลางไปจะออกไปตามอำนาจของความรักของความชังของความกลัวของความหลงแล้วก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาคอยสอนใจว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ดีที่จะให้ความสุขกับเราไม่มีอะไรที่จะสามารถมาทําลายใจเราได้ไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรต่างๆก็ตามจะทําลายได้ก็เพียงแต่ทําลายร่างกายเท่านั้นแต่จะไม่สามารถทําลายใจได้ใจไม่ต้องไปกลัวกับอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปรักไม่ต้องไปชามกับอะไรทั้งนั้นเพราะว่าใจไม่ได้ อะไรกับสิ่งต่างๆทั้งหลายมีแต่ร่างกายเท่านั้นที่เป็นผู้รับเคาะหรือรับผลประโยชน์นี่คือปัญญาที่เราต้องคอยสอนใจไว้อยู่เรื่อยเมื่อเราสอนใจแล้วต่อไปใจของเราจะสามารถรักษาความเป็นกลางความสบายอกความสบายใจความสงบใจได้พอจะ จะรู้เฉยๆ เ, เห็นอะไรก็จะสักแต่ว่ารู้เห็นแล้วก็จะไม่รักไม่ชังได้ยินก็ไม่รักไม่ชังได้ยินเสียงสรรเสริญก็ไม่ไม่ดีใจได้ยินเสียงนินทาก็ไม่เสียใจไม่เพราะไม่ได้ไปรักไปชังกับการสรรเสริญหรือการนินทานั่นเองนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะสอนใจและฝึกใจได้ ถ้าเราสามารถทําได้แล้วเราไม่ต้องมีอะไรเราจะมีความสุขมีความสบายใจมากกว่ามหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านมากกว่านายกมากกว่าประธานาธิบดีมากกว่าพระมหากษัตริย์พราการเป็นสิ่งเหล่านี้หรือการมีสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะรักษาใจให้เป็นกลางให้อยู่อย่างสงบ อยู่อย่างสบาย อ, อกสบายใจได้ดังนั้นพวกเราจึงอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปหลงคิดว่าการมีเงินทองมากๆจะทำให้เรามีความสุขการมีตาแหน่งสูงๆจะทาให้เรามีความสุขเพราะเพราะว่ามันมันไม่มันไม่ใช่เป็นความจริงนั่นเองความจริงก็คือการทำใจของเราให้เป็นกลางให้สงบ ให้เย็นให้สบายนี้ต่างหาที่จะทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงเช่นพระพุทธเจา้าพระองค์ก็เคยเป็นพระราชามหากษัตริย์ท่านก็เคยสัมผัสกับความสุขของพระราชามหากษัตริย์มาแล้วแต่ท่านก็ท่านก็สัมผัสกับความทุกข์ของพระราชามหากษัตริย์ต่อด้วยท่านจึงเห็นว่ามันไม่คุ้มค่ากัน ท่านจึงทรงสเสด็จออกผนวดไปอยู่ในป่าเพื่อสั่งสอนจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้เป็นกลางอยู่ตลอดเวลาจนได้ตัดสัรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วนำเอาความจริงอันนี้มาสั่งสอนให้กัสันโลกต่อไปนี่แหละคือวิธีลืมความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่การอบรมสั่งสอนใจของเรา ให้ตั้งอยู่ในอุเบกขาให้เป็นกลางไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้กลัวไม่ให้หลงกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้นี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้แก่พวกเราและที่พวกเรากำลังมามาปฏิบัติกันอยู่ขณะ น, นี้ก็ปฏิบัติเพื่อความสุขที่เป็นกลางนี้ ที่เป็นความสงบของใจนี้เองจึงขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติกันต่อไปทำกันต่อไปทำบุญให้ทางรักษาศีลนั่งสมาธิจเจริญปัญญานี่คือวิธีที่จะสร้างความสุขภายในใจให้เกิดขึ้นมีวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นวิธีอื่นไม่ใช่วิธีที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับเรา คือการไปหาเงินหาทองไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะเป็นการวิ่งเข้าหาความทุกข์เพราะสิ่งต่างๆที่เราได้มานี้เขาจะต้องให้ความทุกข์กับเราเพราะธรรมชาติของเขานั้นไม่ถาวรไม่คงเส้นคงวาต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมา ศึกษาวิธีการมีวิธีการทาใจให้มีความสุขอยู่ตลอดเวลานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระสีะรัธนตรัยและบุตรกุศล ที่ท่านได้มาบรรเป็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่วความสุขและความเจริญแก้ ข, ข่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเทอ